เมื่อไหวาโลกเขามีส่วนผสมมากมากต่างๆนุ่มเยิ้มเข้ามาคุามคำเมีส่วนผสมมากงานซึ่งต่ัน ทุกต้นทุกตอต่ตอออางเปนเวลาออกตอเขก็วตอเย่างงานข้างเยอะๆพรเมพมีสิ่งเชือกแสงที่เกือบเป็นอะไรมากงานการปฏิบัติง่ายการที่เกอ่ก็ง่าย แล้วอย่างอื่นที่เที่เคร่งก็ขอบกันก็ง่ายถ้าไม่มีมากมายกับใมาเยอะๆทอนานๆๆๆก็ต้องมีเครื่องเคื่อแสงเยอะๆและเครื่องเครื่อแสงเลานั่งใจกลายเป็นความจาเป็นขึ้นมามาปิดบังความจริงที่จงจะมองไม่เห็น อาสิอวทรานทั้งหมดทองคำมักบังพัชชุสงคำมุกมักบางพัทยสมเราจะเห็นมากในพิธีการต่างๆที่เกิดขึ้นกันอย่าเห็นมากก็มีการนนธรรมเนียนพิธีต่างๆส่วนการจินของ นี่ปาสงาไปแท้นั้นมีน้อมากนี่ผู้จะสังเกตเอาความจริงนั้นทะสังเกบได้ว่ายนัมามองดูสิ่งระดานที่อยู่นอาร้านหรืออยู่หน้าร้านนั่นกประดิษ์เอาสิ่งที่อยู่หน้าร้านนั้นไปที่อยู่หลังร้านต้องขันต้องขันก็ไม่เมือนก็ต่ก่อนก็เป็นหน้าร้านของหน้าร้านผิิวผ่าหน้าร้าน ต่อมาจะกลาเป็นหลังร้างัปถึงการแปลงเท่าไหรมันก็มาอยู่ที่หน้าร่างตาไม่ถึงก็ไปถึงเฉพาะที่หน้าร้างมีความึกถึงหนึน่งสายอวัยวะทันทันสอยทันอวัยวปทันทันมีย่นเข้ามาถึงตัวของเราแต่ข้อยางยืดได้ใจ อันนี ert, oman, ้ต้องไปคิดเพื données, no, ่อแสงคิดออกมาในขณะใดเรื่องใดมี่เปเรื่องเพื่องแสงทั้งนั้นเรื่องความจริงไม่ค่อยจะนีคือที่จะยึดคือที่จะปฏิบัติจะแก้ไขว่าอันใดผิดอันใดถูกิงๆทั้งกิดไม่เคยออกทั้งอันนี้ตะองคิดจำลอมั้งหมหน่าร้านเหมือนกันเพื่ออาจก็ออก ก่อนแล้วมันเป็นวเขาอยู่ที่ตออ า, ขา ก, ออกข้อเขาเปิดประตูไม่ได้ออกของถึงจอมจอมออกกระเด็นเง่อนลอยก่อ น, นเน้ะมักกนกินไม่ได้ไม่ออกแล้วสุดท้ายมัมีแต่จอมจอมเต็มไปหมดของกินในกระดุกกระดุกไม่ได้คือหาทางออกไม่ได้การคิ ด, คดแต่คิดเงีอยงของพิรุษกติปัญญาประชาราษฎรพิรุษ อะไรๆมีแบบที่เหลือจะไปใ้ารงก่อนเรองมีที่ดีทื่เหลือจะไปใ้เรืหมอกก็ิปัญญาที่จะเป็นอัดเป็นคันอยู่มาแยขายของความหลักความจริงที่ประเทีก้าเป็นองง่เลยถ้าดประดิษฐ์ตัวไม่ติดที่เหลือมีมากมากกว่มีสู่ปฏิบัติจริงลาบาก มีนักถือว่าพิธีศัณาษาเนำบากเพะอะไรเป็นศัพทาแค่อะไรนี่ครับถ้ามีตั้งแั่เรื่องเกี่ยวกแสงไปหมดในศัพท์าษาแจะเพียงอยู่ตามบ้านตามเรือนทั้งคมแม้จะอยู่ในวัดก็ยังเกี่ยนไปบเรืตองแสอ่านี้ของจริงนกกะกะ็รากฏดเป็นลำบากที่สุติประดิมความร้ลาต่าง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 ดืว่าคูณลังจะเกิดสนหาอย่างนั้นมันก็เรียกว่ามันตรองไปดูดังนัอเยกตัวอย่างช่นพุิธะร้าเราวามันชื่นไั่ได้ถ้าองไรถ้าใครว่ามีใส่ใส่กับทายถลายถ้ามีดีดีต้องเห็นเป็นตู้โงสถึงโงคำ เรื่องนี้ก็เกิดก็มีขึ้นมารามสิ่งอย่าง an, SO e. นี้ก็ตามสิ่งที่สองก็เป็นความส่อรองความคู่นั่นคือไม่เลื่อนลงไปทั้งตัวได้การแสวงหาอะไรนั้นก็จะกดอนันต์กลุ่มหนึ่งถึงั้นก็ร้หนะ่หยาดึ่งหากความตังใจในสิ่งใดถึงนั่นก็อาฆา มอกขสฆาพิษักความหลักความจริงของพระพุทธศาสเป็นส่นสอนจิตใจก็อาเขาเศ้าหมองไม่มีความเกลีกยความในนั้นเลยมีแตเรื่ององที่หลุดันหาออาซะเตมรหมดในวงตัดัาในวงผุ้จิตแในวงะวงในวงพุทธอดีตเติมเพื่อใหสิ่งต่าสิเลียแส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 เมื่อเราจะไม่ทราบในทางไปดูสักจุดสักทางขณะภาวนาก็มีที่แกงแบบที่เราทั้งหลายขอประพาศบ้างใน่วงพุทการการมีความสั้นโหลดใมียความนับล้อยก็อย่างยิ่งเราเร่งการรัอันนี้ก็เป็นธรรมแบบหน้าออกตาในช่วงพุทการเราแดงสันเลขาตาขาคิดกับสันเลขาตาเจอว่าคำพูดที่เป็นไป กับเคื่องกางแท้ที่ดุจอาวัที่เป็นเครื่องสำนักที่ดุจอาวัตั่นเลยสาหรับความเป็นเค้ื่องเป็นเชื่องเก่าเป็นอัปติคตาเป็นผู้มักน้อยั้ามามักน้อยสำหรับท้านั่นภาพไม่ครับแต่้งหลับคาราสนี้ิ่งส่วนมากไม่จะเข้าใจกันทงอน้งที่คารวาก็เป็นผู้ควรจะปฏิบัติในธรรมก่อนหนี้มีอยู่ เป็นธรรมกันเต็ทั้งหมดแปว่าได้เช่นเดียวกันในท่าแหนงที่จำเป็นหรือในส่วนที่จำเป็นเพราะว่ามักน้อยจะมีมากมีมกมมกมมกานา้อยเช่นไรก็ตามที่คขาศรัทธายละเดินเขานำมาถลายแต่ต้องการเชียง น, น้อยๆเท่านั้นให้เป็นเชียงอลางเดิ ข, เข่อนเชียงจะเป็นเสือพงที่เดิงสิ้นเส้นที่ลึก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 ยินดีตามมีกามมากมีมากมีมากแค่การเกิดการมีมีขยับขึ้นมาเป็นกางกลางคือไม่เด็กเกี่ยวเป็นภาพโดยทั่วไปกันรับผูที่ิบัติมีหนาทึบหักพระอาศังจัพมิกาสอนไม่ทุกป์ดีในระว่าสบำปพ็ญกิเอื่น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 มันเป็นไปเพื่อความแขงแกร่งที่เร็วเติบใหญ่ย้อนเสียตลาดเท่านั้นทีมันเป็นความมันเป็นตัวน่าระวังความสีเรื่องตนให้เชื่อมขามจากกดพระบัญญัติที่ทรงสงวนเลยนะสมาแสดงถึงความ้งบฤทธิ์ความลมเย็นของใจแสดงถึงความมั่นคงของใจมันเป็นหน้าฐานทั้งคญที่จะเป็นคดีงี้เป็นเชื่อ หนูพริปัญญาในเราทยุดพ้นไปเกิดความเฉลดฉลาดทำกับการต้องการยิ่มมุดผีเมื่อสมาธิเมื่อปัญญามีความสามารถเก่งแก่เนี่ความหุดค้นก็ต้องเกิดขึ้นในสถานที่นั้นวนมุตติยาพัฒนาความยุ่งแยงพันาความดุดพ้นท้องตนเขายอมปรากฏขึ้นเราขนาดเดียวกันมีเรียกว่าสังเวยสระคาถ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 มากน้อยไหมมีทำโครงข้าเห็นอแบบนี้ไม่มีถ้าจะพูดว่ามันไม่มีก็ถูกกันแล้วนัาจามันเป็นมหิตาตายเป็นความมากมาก้าอะไรไม่มีเนพอจะเป็นการสังสรรค์กไม่มีงนพอนั้นเองผลโดดคความมีดีคามมีความมากแต่ความก่ะแสวงมันก็มีขึ้นมาเพีย ไม่ใช่เป็นความสันโดษท่าลงสัตว์แสวงความตั้งใจมีอยู่แล้วและแสดงปีญะมาในทางตาระกัรทางวาตาระการแม้แสดงมาทางจิตก็ยี่ยอกไม่ใช่ความจิตหรือเป็นควมดีการที่สิ่งที่เกยวที่นีขึ้นมายนทางคออบครักภาษาระวันิกาไม่พุทีไม่พุทีอะไรมันดุ่งกันอยู่ตลอดเลยนะสายหยาดยงไม่ไ่ะ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 อยู่ในตัวเองกับจตปลอมอยนะู่ในจัสนาธาเนเพสของพระเป็นพระวาามันก็เป็นทั้งๆไปเช่นเดียวกันเพราะต่างคนต่างมุ่งความอ่อนนะมุ่งเฉพาะนำหลักความจริงด้ยวยกันแล้วจะจะต้องเห็นสิ่ที่ปลอมอยู่ในภานจิตใจเช่นเดียวกันเพราะเจตเมยงมากภราาะว่ารุชะต้องเป็นเจตวันยั่นยั่ที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ใดนี้ต้องเป็นทันน้่ๆกัน ไม่เลือกเทศไม่เลือกภ า, าพท่านนั้นนะถ้าผู้ตั้งใจจะพุทธปฏิบัติก็ควรไปเห็นหลักความจริงก็สิ่งจอมกลอมที่นักเทีย่ยวแสงแล้วพยายางแก้ไขดัดแปลงให้เป็นไปตามกิสิทกิกำลังความสามารถขอ ง, งตอนเราก็จะควรมีความมุ่งมุ่นตรงสุดสมกับลาีถือพุทกศาสนามาเป็นชาพุทธมีและยี่หลักความ จ, จริงของศาสนาที่เราจะเที่ยวได้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 พระองค์เป็นผู้ฝึกผู้ทรมานพระองค์เองจนมีชัยชนะอย่างเต็มภูมิในหลักธรรมท่านสอนไ่อว่าดัวชา ส, ส, าสนะาาร้างชาเชนะพขั้ง伽มีมานิเชจีหนเทรกันจากเทมัตตาลังเทเรขั้ง伽มมจิตกโมการชนะผู้อื่นนั้นคุณด้วยล้านก็ตามไม่จัด้ต่เป็นความชนะอันเฉยเลยนอกจากการขอเวียนเท่านั้น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 คือที่เดชทำให้สร้างสมาพัฒนอย่างนี้ให้สร้างความคิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเขาย่างเป็นการทับผมโจมตีตนเองย่งให้แหลกเสือเข้าบอีกเก็นเป็นความคิดที่ดีแล้วหรอือความคิดอย่างนี้ถ้าเราไม่ถ้าเราจะแก้ที่เดชเราจะแก้่ชนิดใดที่เดชเป็นประเภทใดประเภทที่คิดอย่างนี้นหละคือเรืในใน่องของที่เดชอย่างโดยดีถ้าเราจะคิดถ้าจะหมักทำมั่งพระพุทธเจ้าก็อพระพุทธเจ้าได้แบกอาํานาจวัสนามาจากที่ไหนถ้าไม่ใช่ได้ม า, กก า, าด้วยการฆ่าการอบรมโดยพระองค์เอง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 ขึงนูงต่ำตำรุ่มเรนนรองขออภายจากความผิดพ่าดทังหลายโดยทั่วถึงและขอยกตเงเน